เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสตานีวิทยุแห่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อาภิปุโนโญจากวัดป่าดอนไอโศมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในแต่ละวันนั้นก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายกันไปมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนั่นก็แปะว่าเรามีผู้สอนที่ท่านได้สอนไว้อย่างดีแล้ว สอนไว้โดยละเอียดรอบครอบไม่ละหลวมมีความรัดกลุ่มทำให้คาสอนนั้นมีหลายนัยยะมีความลึกซึ้งทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดในรายละเอียดทั้งอัฏะและพยัญชนะมีหลากเรื่องหลายราวทั้งกับราชามหากษัตริย์กระบดีมหาอมาตเศรษฐีมหาเศรษฐี คนเข็นใจหรือชาวบ้านธรรมดาทั่วไปเนี่ยท่านจะเทศบอกสอนธรรมะไว้อยู่หลายเรื่องมากถึงบูฟังทํำไมเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนํามาพูดกับตัมบูฟังนี่มันไม่มีหมดไม่มีหมดปรายายแห่งความทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับไม่เหลือกองทุกข์และทางดําเนินนี่มีปรายายเป็นอนเนกเรียกว่ามีอนเนกปรายายการกําหนดเปิดปัญชนะนั้ น, น, นโอ้มีได้ไม่รู้จบ มีได้ไม่รู้จบเพราะว่ามันหลากหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงได้บอกถึงเรื่องของอัฏฐะด้วยไม่ใช่จะเอาเฉพาะพยัญชนะเพราะว่าพระประชาท่านตรัสพระเองนะบูฟังบอกว่าเรื่องอริยรสัจสีที่พระองค์ได้บัญญัติไว้แล้วเนี่ยในความจริงเนี่ยมีการพัฒ น, นาความการลงอักษรการจำแนกเพื่อความละเอียดมากจนประมาทไม่ได้ว่าปริยายอย่างนี้อย่างนี้ เป็นทุกข์ปริยายอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือความดับไม่เหลือของทุกข์หรือทางดําเนินกล้วแต่ถึงแม้ปริยายอย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังเป็นทุกข์ยังเป็นเหตุเกิดทุกข์มีการอธิบายพันานาความลงอักษรจําแนกรายละเอียดได้อย่างไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นการศึกษาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในตระบองมันไม่ใช่จะเอาบทเพียนชนะของพระพุทธเจ้าเป๊ๆ เ, เท่านั้น อันนั้นดีอันนั้นเป็นต้นบัญญัติอันนั้นดีอยู่แล้วมีดีแน่นอนจําได้ดีแต่ในความจริงมีการพัฒนาความการลงอักษรจําแนกจนประมาณไม่ได้อันนี้เป็นปุถุพจน์นะมั้ว้หังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเรื่องในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะชัดลงในอริยะสัจสีได้หมดเลยไม่ว่าจะปัญหาในที่ทํางานปัญหาในครอบครัวความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากเรื่องการกินบ้างเกิดจากเรื่องในภายในบ้างสามารถที่จะจัดอยู่ในอริยสัจ ส, สีได้จำแนกราละเอยดพันานาความลง อ, อ, กอักษรอธิบายได้ทั้งนั้นเลยสามารถที่จะกลับมาที่ตัวแม่บทต้นบัญญัตินี้ก็ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมีอยู่ในชีวิตประจาวันของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ในหนังสือตาราหรือว่าที่พระพุทธเจ้า บ, บัญญัติเอาไว้เท่านั้น แต่แม้ในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ดีเช่นคนก็ด่ากันว่ากันอันนั้นก็มีธรรมะอยู่แต่เป็นธรรมเรื่องกูดกล่าวบ้างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบ้างคนที่เขาฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็เรียนจากคนที่โง่ๆได้เอาคนโง่ทําอย่างงี้มันผิดมันไม่ดีคนฉลาดเขาเห็นละว่ามันไม่ดีมันผิดอย่างไรเขาก็ทําความสำเนียอว่าเออเขาจะไม่ทําอย่างนั้นแต่คนโง่เนี่ย ต่ออยู่ใกล้คนฉลาดบ้านไหนก็ตามเนี่เขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากคนฉลาดได้เลยคนฉลาดทําดีทําถูกเห็นแล้วก็ไปยกตนข่มเขาตีตนเสมอเขาเพ่งโทษ ต, ติเตียนมันก็ไม่สามารถเรียนจากคนที่ฉลาดได้เพราะว่าความโง่ของตนการศึกษาในธรรมะวินัยนิธรรมวังเพื่อให้เราฉลาดขึ้นสิ่งที่มันทําให้เราโง่อยู่เนี่ยก็เพราะว่าเจ้าอาวิชชาคือความไม่รู้ กิเลสตันหาอวิชชาเนี่ยเป็นเทือกเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสิ่งที่จะมาปิดบังห่อหุ้มจิตใจของเราทำให้เราไม่เห็นทำให้เราไม่แจมแจ้งไม่เห็นไม่แจมแจ้งแล้วมันก็จะมายึดถือกันแลาวว่านี่ของฉันฉันจริงเธอไม่จริงแต่ในความจริงมันมีการจําแนกแจงแจงได้อนเนกปริยายเพียงแต่เราจะมีปัญญาเห็นไม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการถามคำถามหรือว่า การสอบตามข้อสงสัยต่างๆในตัวฟังจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเปิดให้เจ้ากิเลสในใจของเราเนี่ยมันออกไปเหมือนมีจอกแหน่อยู่บนพื้นผิวน้ำอย่างเงี้ยคนจะมาลงกินน้ำอา้าวมีแต่จอกแหน่ลอยฟุ้งเต็มเลยเขาก็จะต้องเอามือเนี่ยแกวกไอ้เจ้าจอกแหนนี่ออกให้เห็นผิวน้ำที่มันใสอยู่ข้างล่างสามารถที่จะใช้ดื่มบริโภคได้ การที่เราเปิดที่กนน อ, อกอย่างนี้เนี่คือการที่เราคลายเจ้านิวรณ์ต่างๆมีความเครือดแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจคือวิจิกิจฉามีความง่วงซึมมีความกำหนัดมีความเพลินพวกนี้เราจะต้องเปิดตรงนี้ออกสิ่งที่จะมาเปิดออกนั่นก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเปิดไปแล้วให้น่นเองธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิดไปให้แล้วนะทจำฝั่งนะเพียงแต่เราจะเอาธรรมะที่ท่านเปิดไว้แล้วเนี่ย อยู่ตามพระสูตรต่างๆมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท่านแปลมาให้เราอ่านสบายๆเป็นภาษาไทยมีในสมมุติต่างๆอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วท่านเปิดไว้แล้วเนี่ยอัตมาที่ท่านเปิดไว้มาเปิดจิตเปิดใจของเราที่บางทีมันอาจจะถูกปิดอยู่ด้วยเจ้าตัหาอวิชชาเราเปิดตรงนี้ออกเราจะมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาซึ่งในวันพูดกลางสัปดาห์กัปปะเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ตัมบูฟัง ส่งกำาตามมาตามกันได้พูดคุยกันได้ในการที่จะติดต่อกับทางรายการนี้ทาผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรก็ได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีราัไปรษณีย์ก็สี่หนห่หรือว่าถ้าสรุกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เปียวธมะ .com puredhama.com ส่งข้อความหรือจดหมายมาแล้วคุณพระเจ้าก็จะนำมาอ่านทาความเข้าใจหาข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเราก็จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์ต่อๆไปช่วงนี้ก็มีคำถามของท่านผู้ฟังหลายท่านส่งมาก็จะมาทยอยตอบกันในวันนี้ก็เป็นข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธร .com ของคุณจิตโต จากจังหวัดขอนแก่นคุณจิตโตนั้นรับฟังทางรายการวิทยุได้ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงชนะที่เรียกว่าสนะดุ้งเนี่ยแล้วก็ได้เคยฟังคํานี้ที่ข้าพเจ้าใช้มาพูดในรายการด้วยคุณจิตโตก็เลยถามว่าคำเนี้ยที่ว่าสะดุ้งเนี่ยหมายถึงสภาวะจิต ท, ที่เป็นอย่างไรเป็นกุศลหรืออ่กุศลคือดีหรือมันไม่ดีกันแน่คำว่าสะดุ้งนี้ตัมบูฟัง คือถ้าเราจะไปตีความหมายเข้าใจว่าจะมีใครมาจะเอ๋ร้องหลังเนี่ยเราก็จะตะดุง้งโอ๊ยตกใจหรือว่ามีฟ้าผ่าตูมขึ้นมาเนี่ยโอ๊ยตกใจตกใจหรือทําของตกหรือลื่นลม้มมันจะสะดุ้งตกใจขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะว่าการสะดุ้งตกใจอย่างนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการตอบสนองของร่างกายที่ลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยเวลามีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ หดตัวเข้าถ้าเราเอามือมาลูบบริเวณหน้าเนี่ยมันอัตโนมัติเลยว่าตาจะกระพริบทันทีอันนี้ก็เรียกว่าเป็น reflex หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายมีคนทําเสียงจะเอะขึ้นมาข้างหลังเราไม่ได้ทันเตรียมตัวเนี่ยร่างกายมันก็จะมี reflex มีการตอบสนองที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆกระโดดบ้างส่งเสียงบ้างอันนี้คือลักษณะของสะดุ้งที่เราใช้ในความหมายทั่วๆไปในทางธรรมะทั้งฝัง เราไม่ได้ใช้อย่างนั้นในทางธรรมพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสะดุ้งหวาดเสียวก็มีคําว่าสะดุ้งตรงนี้อยู่ถ้าเราไปหาในพระไตรปิฎกเนี่ยความยินดีกับความสะดุ้งเนี่ยคือมันลักษณะเดียวกันอา้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคือถ้าพระพุทเจ้าใช้คําว่าสะดุ้งก็คือยินดีนั่นแะหละหมายความว่าถ้าเรายินดีคือความยึดถือในยึดถือในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นรูปเวตนาสัญญาหรือสังขารหรือวิญ ญ, ญาณก็ตาม ถ้ามีความยินดีนในสิ่งนั้นนะเราก็จะมีการแปรเปรวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของรูปนั้นเป็นต้นในจิตของเราเนี่ยนะถ้ามีความไปยินดีปอใจกำนัดพูดง่ายๆคือยึดถือในรูปใบธนาสัญญาสังการหรือวิญญาณถ้าจิตของเรามีความยึดถืออย่างนี้แล้วรูปใบธนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันโดยความที่มันไม่เที่ยงใช่ไหม พอมันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยวิญญาณคือจิตของเราก็จะสะดุง้งเพราะความเปลี่ยนแปลงไปตามความแปรปรวนของรูปนั้นเพราะว่ารูปนั้นได้มีไปโดยประการอื่นจากที่มันเป็นลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่หวาดสะดุง้งมีความคับแค้นพวะพวงสะดุ้งหวาดเสียวอยู่ด้วยอุ ป, ปาฐานนะคำนี้จึงเป็นความหมายคำที่มีความหมายคล้ายๆกัน สะดุ้งบาดเสียวอุปาทานยึดถือเกลือกลัวพอใจยินดีพวกนี้มาในเทือกของเหตุให้เกิดทุกข์คือพวกตัณหาอวิชานี้เป็นเทือกเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าสะดุ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเป็นผลของการยึดถือคืออุปาทานทาให้เกิดความสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของกันตั้งห้า ที่มันมีความแปรปรวนไปเป็นโดยประการอื่นวิธีการที่เราจะไม่สะดุ้งได้ไม่วันไวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกได้ก็ต้องปฏิบัติตามมาร์กแปดเราจะปฏิบัติตามมาร์กแปดได้ก็ต้องเริ่มที่ให้มีความเห็นที่ถูกต้องเริ่มที่กายวาจาใจของเราเริ่มโดยการตั้งสติขึ้นจับตรงไหนได้เอาตรงนั้นก่อนเพราะว่าได้ตรงหนึ่งอย่างอื่นมันก็ จะตามมาตามมาด้วยกันไปจิตที่มีสภาวะสะดุ้งนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องตกใจกลัวอย่างเดียวตะบูฟังยังรวมถึงเรื่องของความยินดีพอใจเพลิดเพลิน ด, ด, ด้วย 5. รูปเวตนาสัญญาสังขารบริวญญาณหรือภาษาทั้งหลายที่มาในทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยมากระทบเราใช่ไหมแล้วมันเป็นลักษณะผภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราไปพอใจยินดีเกลือกลัว้วลุ่มหลงไปตามมันเนี่ย จิตเราก็เรียกว่าสะดุ้งเหมือนกันนะถึงแม้ว่ามันจะทําให้เราเคลิบเคลิมเนียนเนียนิน่ง น, นิ่ ง, งเย็นเยนไปเนี่ยแต่เรียกว่าสะดุ้งเหมือนกันเพราะว่ามีอํานาจของความยึดถือเนี่ยมันมาอยู่เราเพลินไปละมันก็มีความสะดุง้งละเราจะไม่ให้เพลินได้ไม่ให้สะดุ้งได้ก็จะต้องตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นเราจะตั้งสติตั้งจิตขึ้นได้ก็ใช้พุตานุสติก็ได้ใช้อนาปานสติก็ได้ นี่คือคำถามในข้อแรกของกุลจิตโตในข้อที่สองถามถึงเรื่องของคำว่ามานว่าคำว่ามา น, นั้นเป็นตัวตนเทวดาชนิดหนึ่งที่สัมผัสได้โดยพระอริยบุคคลเท่านั้นใช่หรือไม่หรือเป็นนามธรรมคำแทนเรียกชื่อของกิเลสตันหาและอกุศลธรรมต่างๆเท่านั้นคำว่ามานเนี่ยต้องฟังเป็นปุทธพจน์พระพุทธเจ้าใช้อยู่ในหลายนัยยะว่าพระองค์เป็นผู้ปราบมานบ้าง เป็นผู้ที่ทําให้มานสะดุ้งบ้างเป็นผู้ที่ทําให้มานกลัวบ้างแล้วอัตถคถาหรือครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านก็ขยายความคําว่ามานเอาไว้ณ น, นี้ที่มาในหนังสือวิสุทธิมรรคก็มีมาในวินัยปิดกที่เป็นส่วนของดีกาก็อธิบายไว้ในเรื่องของเทระคถาเราภิกษุที่มีความรู้ความสามารถในสมัยก่อนท่านก็อธิบายเอาไว้ นับถึงมารห้าอย่างด้วยกันอันดับแรกคือกิเลสมานเพราะฉะนั้นในที่กุณฑิโตธามาเนี่ยว่าเป็นเทวดาชนิดที่สัมผัสดได้เห็นได้นั่นใช่หรือไม่อันนี้ก็ใช่อันหนึง่งก็เรียกเป็นเทวบุตรมานหรือว่าเป็นนามธรรมที่ใช้เรียกแทนเจ้ากิเลสนาะอันนี้ก็ใช่ด้วยเหมือนกันเป็นความหมายที่สองที่หมายถึงกิเลสมานมานห้าอย่างคือกิเลสมานอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือขันธมานรขันธมานก็คือ เบญจาการคือขันธานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือในไฟล์ของทุกขและสมุทรไทยเนี่ยทั้งยวงเนี่ยคือมารโดยไฟล์ของทุกนี่คือขันธมาร์ฟ่าย์ของสมุทรไทยนี่คือกิเลสมาร์นในเรื่องอริยสัจสีตรงนั้นส่วนข้อที่3คืออภิสังขารมารนนี่นก็เป็นเรื่องของกรรมการปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งบางอย่างในจิตใจของเราอันนี้คืออภิสังขารมารน ในข้อที่4นั่นคือเทวบุตรมาร น, นั่นคือเป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นปรินิมิตะสวัสดีและในชั้นนี้จะมีเทวดาอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายเทพและฝ่ายมารอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวบุตรมารและในข้อที่หคือมัจจุมานมานคือความตายเอาคําว่ามานนี้สนิดหนึ่งในบุฟังมานในเป็นภาษาบาลีแต่ถ้าเราไปเปิดรากศัพท์าตของคํานี้ดูเนี่ย มาระเนี่ยก็แปลว่าพูดล้างผ่านความดีทําให้ความดีเนี่ยมันตายไปอย่างตอ่อใช้คําว่ามรณะมรณะนี่คือความตายใช่ไหมมาจากมะตะธาตาาคือทําให้ตายทําให้อะไรตายก็ทําให้ความดีเนี่ยมันตายไปและมานี่คือพูดล้างผ่านความดีเวลาเราจะทําความดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันก็จะมีเสียงมาละ อ, อย่าทำเลยคนหนึ่งเขาก็เป็นอย่างนี้กันละ่ะเราก็ตามกระแสโลกไปเถอะอย่าไป ทำนั่นจะดีอะไรกันมากมายนั่นเสียงที่มันมาพูดเนี่ยมันเป็นมารในหูเราอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของกิเลสมารหรือถ้าทําบุญมากๆโดยการให้ทานก็ตามทำสมาธิก็ตามแต่ก็เมาในบุญนั้นใช่ไหมไม่สามารถปล่อยวางบุญนั้นได้เ อ, า, อางี้ก็มีอภิสังขารมานมาให้ผลอยู่เรื่อยมันก็หลุดพ้นจากสังสารวัตไม่ได้สติหรือบางที่เราจะทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม่มีคนมาขวาง ให้เราทำความดีไม่ได้ไแหมคนนี้มันเหมือนกับเป็นมารจริงๆนั่นก็เป็นลักษณะของบุคคลที่จะมาคอยขัดขวางการทำความดีของเราอันนี้เราก็จะมักใช้กันนั่นก็เพรามานี่ก็จะมีร้ายนายาอย่างที่ว่านี้นี่คือตามในข้อที่2ของกุนจิตโตข้อที่3มกุนจิตโตถามมาอยากทราบความหมายของกรมกามกมคุณกามฉันทะกามราคะ การมรรมและกามาตัญหาในความคิดเห็นของกุคคจิโตก็มีความรู้สึกว่าผู้นี้มันคล้ายๆกันใช่ธรรมบวชผู้นี้มันจะคล้ายๆกันมาในเทือกเดียวกันเป็นส่วนของสมุ ท, ทยัยคือเราฟังธรรมะหมวดในก็แล้วแต่นะธรรมบนะตรงนั้นที่เราไม่เข้าใจยังแบบเงินงงมงนเงนเนี่ยเราเอาอาริยสัจ ส, สี่เข้ามาจับก่อนเอ๊ว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนไหนอ่าถ้าอาริยสัจ ส, สีแบ่งเป็น2 ส, ส่วนเอากุศลหรืออกุศล แล้วก็ส่วนที่เป็นกุศลก็จะเป็นนิโรธกับมรรคส่วนที่เป็นอกุศลก็จะเป็นทุกข์กับสมุ ท, ทยัยเอาในส่วนที่เป็นทั้งกุศลและอกุศลก็ยังแบ่งออกไปอีกสองอย่างนี่ใน4อย่างนี้เราเอามาพิจารณาโดยใกล้กรนโดยแยบคายดูนันเป็นลักษณะของโยนิโสมนัิการด้วยการที่เราพิจารณาตามนัยะของอริสสีเนี่ยจะไม่เราสามารถที่จะรู้ความหมายคร่าวๆของมันได้ว่ามันดีหรือไม่ดี เรื่องของกามนี่ก็คือความกำหนัดยินดีพอใจลุ่มหลงเหนที่เกิดขึ้ น, นไหนๆความกำหนัดเกิดขึ้นที่ไหนตั้งบงังเกิดขึ้นในใจนะเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นที่จิตของเรานะไม่ได้เกิดขึ้นที่กระเป๋าดีๆรองเท้าหรูๆอาหารอร่อยๆไม่ได้เกิดขึ้นตรงนั้นตรงนั้นก็เรียกว่ากามะคุณและกกามคุณคือคุณประโยชน์ของสิ่งที่เป็นสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิน้นและกาย5นะอย่างตรงนี้ มีสมบัติให้มันดีๆอากาศเย็นๆดนตรีไพเราะไพเรา ะ, ระอันนี้เป็นลักษณะของกามคุณแล้วถ้ามันจะทําให้เกิดกามมันจะเกิดขึ้นในใจกามที่เกิดขึ้นในจิตในใจเนี่ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งระดมฟังนึกภาพตามนะกามเนี่ยจะติดอยู่ที่จิตของเราส่วนกรรมคุณเนี่ยจเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ติดอยู่กับกามแล้วมาจากสิ่งภายนอกเช่นเสียงเช่นรถเช่นกลิน่น หรือสัมผัสต่างๆเป็นต้นอันนี้คือกามาคุณบางคนสามารถเสพกามคุณได้โดยไม่ได้เกิดกามแต่เพราะว่าถ้าจิตมีสมาธิอยู่เนี่ยกามมันเกิดไม่ได้แต่ไปกินอาหารอร่อยมีการมาคุณเกิดขึ้นนั้นมีได้แต่กามในจิตไม่มีนนี่มันจะแยกกันตรงนี้เวลาเราจะสับจะเฉาะออกเนี่ยเราต้องเฉอตรงกามตรงนี้ออกทีนี้ กามาฉันตาเนี่ละเอียดลงไปต่ำฟังคือไม่ได้เกิดกามหรอกแต่มีความพอใจในกามมีความพอใจในกามกามอยู่ที่จิตนะกามอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่สิ่งของภายนอกสิ่งของภายนอกคือการมาคุณอาจจะยังมีอยู่ตามประษาของมันแต่กามอาจจะไม่มีในจิตทีนี้กามที่จะไม่มีในจิตไม่มีในจิตแล้วเนี่ยแต่นั้นมันยังมีความพอใจเหมือนกับเป็นเมล็ดของกามอยู่เนี่ยเป็นฉันทะอยู่เนี่ยมันจะเกิดกามกันได้ การมัจฉันทัคคือตรงนี้การมัฉันทัคคือความพอใจในการรมคือการบางทีเราเข้าสมาธิมันก็ระงับไปดับไปใช่ไหมแต่ถ้ามีการมัจฉันท่าอยู่เนี่ยบางทีมันโผล่พลุดขึ้นมาได้ลักษณะอุปมาอุปไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านเคยอธิบายเนี่ยเปรียบเหมือนกับดินที่มันยิงดีๆเนี่ยนะแล้วก็มีเมล็ดของพันธุ์พืชที่มันยังไม่เน่าไม่ถูกลมไม่ถูกแดดยังมีเชื้องอกอยู่เนี่ยเอามาใส่กันลงไปเนี่ยมันยังไม่มีต้นไม่มีอะไรก็จริงอ แต่เวลาต่อๆไปเนี่ยมันจะเกิดเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกขึ้นมาได้เหมือนกันจิตถ้ายังมีการมันทะการอาจจะยังไม่มีอาจจะน้อยมากบางทีบางคราวสงบได้เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ายังมีการมันทะอยู่เนี่ยไอ้การมันเกิดขึ้นตามมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาการมันทะออกไปแต่ถ้าเราเอาการมันทะออกไปมันเหมือนเมล็ดเน่าแล้วเม็ดที่มันหักมันเน่าไม่มีเชื้องอกแล้วเนี่ยต่อให้ออกมาลงในดินที่ดีมันก็จะเกิดกามขึ้นไม่ได้ ในการว่าการอารมณ์นี้ศาสตร์ก็บอกกันแล้วว่าเป็นอารมณ์คือในทางกามทั้งหลายอารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลของกามอันนี้ก็เรียกเป็นกามอารมณ์จะเป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นการมโนสีการเป็นการตรึกตามตรองตามไปที่เกิดเป็นผลของกามเนี่ยอันนี้ก็เรียกเป็นเทือกของกามอารมณ์ทั้นั้นส่วนการตัณหานี่เป็นการแบ่งตัณหาออกเป็นสามส่วนหนึ่งในส่วนนั้นก็คือ ความทะยานอยากในกามนะซึ่งถ้าตันหาอีกสองส่วนที่เหลือคือความทยานอยากความอยากมีอยากเป็นอันนี้เรียกว่าภาวะตันหาแล้วก็ความอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นอันนี้วิภวะตันหาอันนี้เป็นลักษณะของการบัญญัติศัพทบนะถ้าเรามีความคมชัดเจนในจุดนี้เนี่ยก็สามารถทําให้การปฏิบัติของเรามีความละเอียดก้าวหน้าขึ้นไปได้เหมือนกัน ต้นบัญยัตยิคำสับต่างๆเหล่านี้นะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายใช่ว้อยู่แล้วในเรื่องของกรรมกับกามมุณนี้ถ้าเราไปอ่านตรงส่วนที่เป็นพุทธประวัติตอนก่อนการที่พระองค์ออกบวชหรือว่ากําลังเป็นโพธิสัตว์ทําความเพียนอยู่เนี่ยท่านจะอธิบายตรงนี้ไว้เรื่องของกามกามมุณการมมชันทะกามราคะเรื่องของการมมตัญหาเรื่องของกรรมมรมอันนี้ท่านจะอธิบายไว้ในรายละเอียดของอริยสัจ4ี่ ในส่วนที่อยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรในส่วนของส ม, มุดไทยจะอธิบายส่วนตรงนี้เอาไว้เป็นลักษณะของการบัญญัติศัพท์ก็คือคำถามของคุณจิตโตจากจังหวัดคอนแก่นท่านที่สองที่ถามมาส่งเป็นข้อความมาในวันนี้คือคุณทวัตคุณทวั ต, วตนี่ก็ส่งมาทางเว็บไซต์ p พี t ว m a com เหมือนกันบอกว่าฟังรายการนี้มาตั้งแต่ปลายปี58แล้วเราก็ได้ฟังมาเรื่อย การแสดงธรรมะเนี่ยธรรมบุฟังก็นํามาจากต้นฉบับคือที่พระพุทธเจ้าท่านใดบอกไว้สอนไว้แั่นเราไปที่ไหนก็ตามในธรรมบฟังจะเป็นภาคเหนือภาคใต้จีนเวียดนามอเมริกาอังกฤษเขาก็ยกพระพุทธเจ้าหมดแถ้าบอกว่าไปวัดอย่างเงี้ยนะไปถามว่าคุณเป็นใครเอาวฉันเป็นภิกษุเอาใครมีใครเป็นศาสดาเขาก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้านบูดาบูดามหมดคือในธรรมะวัไหนเนี่ยมีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่า้พพเจ้า ว, ว่าไป ทีนี้ในสาวกที่ฟังตามคําสอนมาเนี่ยถ้าท่านเหล่านั้นเหล่านั้นสามารถกําหนดบทพยยียญชนะและอัฏฐทั้งสองส่วนเลยนะได้ใกล้เคียงกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้อันนี้จะเป็นความดีความงามของบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นแต่คือบางคนพ ย, ยัญชนะถูกแต่ความหมายนี่มันเป็นไส้ในใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะบทพยยียญชนะเดียวกันแต่ไส้ในเอ๊ะมันทำไมมันไม่ใช่อย่างเงี้ย ถ้ามีความคลาดเคลื่อนไปเพี้ยนไปนี่ก็ไม่ดีสาวกคือผู้ฟังคําสอนก็จะต้องสอนบอกให้ตรงตามที่ผู้สอนเขาบอกไว้ตามหลักฐานที่มีมาในพระไตรปิฎกถ้าทําได้เหมือนได้เข้าท่าบทเรียนชนะอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยแต่ว่าอัฏฐานนี้ลงรับกันได้เออนี่ถูกต้องดีงามก็เป็นความดีความงามของบุคคล น, นั้นๆที น, นี้ว่าการที่เราจะมา เทียบเคียงดูได้ว่าอมันลงรับกันได้หรือไม่ตรงนี้แหละจึงเป็นจุดประสงค์ของการศึกษานะบูฟังเราจึงต้องศึกษาศาสนานี้เป็นศาสนานของปัญญาเป็นศาสนานของผู้ที่จะต้องใช้ความเพียนและประเด็นมันก็คือว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้ท่านก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้อยู่จะมาชี้ถูกชี้ผิดว่าไอ้คนนี้พูดถูกนะคนนี้พูดดีคนนั้นพูดไม่ถูกนะเพี้ยนตรงนี้แก้องแก้ไขตรงนั้นท่านไม่ได้อยู่จะมาชี้ถูกชี้ผิดแล้ว ก็ต้องพึ่งตัวเราเองนี่แหละเราพึ่งตนพึ่งธรรมในบางทีข้าพเจ้าพูดไปก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเราก็มาช่วยกันตรวจสอบกันดูเพื่อให้คําสอนต่างๆเนี่มันจะตั้งอยู่ได้นานโดยการที่เราสาวกไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาโสปัสสิกาเทวดาด้วยพรมด้วยเนี่ยช่วยกันที่จะตรวจสอบกันช่วยเหลือกันมีความสามัคคีกันคุณวัดได้ถามถึงเรื่องของ พิธีการทําบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตว่าพิธีนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าอ่านดูในตําราคัมภีร์ที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ได้เห็นจะเห็นอยู่ก็คําว่าอุโบสถซึ่งพระพุทธเจ้าจะหมายถึงเรื่องของศีลอุโบสถจะมากกว่าเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ในซึ่งถ้าเราพูดถึงโบหรือพระอุโบสถในตะบูฟังในส่วนข้อมูลตรงนี้ จะอยู่ในพระวินัยปิดกจะไม่ได้อยู่ในพระสูตรเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยเป็นเรื่องราวการเทศน์สอนเป็นหมวดธรรมะแต่การสร้างวัดว่าจะต้องมีเขตสีมาอย่างไงมีการวางกุื่องไม้อย่างไรอย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอธิบายไว้อยู่ในส่วนที่เราเป็นวินัยปิดกอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังในเรื่องของวินัยปิดกที่พระพุทธเจ้าให้กําหนดเขตสีมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้สงฆ์ที่อยู่ในหมู่เนี่ยเขาได้มีความ เข้าใจตกลงกันนะว่าคุณเป็นหมู่เดียวกันนะคุณเป็นพวกเดียวกันนะที่มีการกําหนดขอบเขตขันทาศีมาขึ้นในะคําว่าขอบเขตขันทสีมาเนี่ยมันจากภาษาบาลีนี่แหละบอกว่าคือเขตวัดนั่นเองพูดง่ายๆในกะําแพงล้อมรอบเท่าไหร่วัดนี้ใหญ่เท่าไหร่อะไรยังไงก็จะบ่งบอกเขตกันแต่นะซึ่งเครื่องหมายที่จะมาบ่งบอกว่าเอาเขตวัดตรงนี้ตรงนี้เก็นะจะใช้จอมปลวกก็ได้แนวป่าก็ได้ ร่องน้ําก็ได้หรือว่าเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทําขึ้นเช่นแนวกําแพงหลักสีลาหรือว่าคุณเอาก้อนหินไปวางไว้ในที่มันหนักๆหน่อยเนี่ยคนเคลื่อนย้ายไม่ได้ง่ายๆตรงนี้อันนี้จะเป็นหลักเขตเครื่องหมายได้แต่อย่างกรณีเราขับรถไปตามถนนหลวงเนี่ยก็จะมีหลักกิโลเมตรซึ่งลักษณะของหลักกิโลเมตรตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมายที่บง่งบอกว่าคุณมาไกลเท่าไหร่แล้วเราจะเอาตรงเนี้ย เป็นข้รื่องหมายในขอบเขตขันธ์สีมาก็ไดนะ้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นลูกนิมิตเนี่ยตั้มบวก็คือตรงนี้แหละเป็นข้อเรื่องหมายที่บ่งบอกเอาไวนะ้ที่หมายถึงว่ามนุษย์สร้างขึ้นดาขึ้นทีนี้ข้อเรื่องหมายตรงนี้มันต้องมีทุกด้านไงว่าด้านซ้ายขวาหน้าหลังเหนือใต้ออกตกตนะั้งมุมเขตไหนเขตไหนต้องกําหนดเอาไว้จะใหญ่เกินไปเล็กเกินไปก็ไม่ได้ที่ในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลเนี่ย แล้วเราก็จัดเป็นพิธีการขึ้นมีคนมารวมกันมีการร่วมกันทําบุญเนี่ยอันนี้เป็นลนักษณะของบุคคลที่เขามีปัญญามีศรัทธาเขาทําเองแล้วแล้วเขาก็เรียกหมู่คณนะมาร่วมกันทำด้วยทําให้เราอาจจะได้ยินงานบุญงานฉลองโบสถ์มาปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรกันอันนี้เป็นพิธีที่เขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองหลักขอบเขตคันธศีมาเหล่านี้ อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบัญญัติใหม่อะไรหรอกท่านผู้ฟั ง, ปงเป็นลักษณะของการทำบุญแล้วก็ก็เรียกกันมาร่วมกันมาสร้างบุญธทำกุศลเท่านั้นเองแล้วจะปิดทองไม่ปิดทองอันนี้พระพุทธชาติท่านก็ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องกําหนดเอาไว้ว่าต้องปิดทองหรือไม่แตนะ่ต้องรูปทรงอย่างไรในะรายละเอียดตรงนี้ท่านก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้ลงตัวเป๊ะๆแต่อานะจะกลมดิก๊กกลมเล็กเท่านี้ใหญ่เท่านี้ได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมดังนะนั้น ในคณะสงฆ์ของประเทศไทยเนี่ยเราก็จึงมีการกําหนดตกลงกันให้มันเหมือนกันนะ่ะว่าด้านนี้ต้องมีไม้มีกี่ลูกตรงกลางมีหรือไม่แล้วก็แต่ละวัดแล้วว่าคุณจะทําพิธีอะไรยังไงก็เรื่องของแต่ละวัดไปทีนี้โครงสร้างรูปทรงของอุโบสถนะทําไมมันต้องเป็นรูปทรงนี้มีหลังคาแบบนี้มีย้วยา ย, าย้ายย้อยแยว้วหรือว่าระบบสถาปัตยกรรมยังไงอันนี้ก็สถาปัตยกรรมละ แต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกันแต่ละประเทศก็จะดูแตกต่างกันไปของพระมา ก, ก็จะดูเป็นแบบหนึ่งของไทยก็จะเป็นแบบหนึ่งอันนี้ก็ของแต่ละประเทศละขานิยมก็จะทํำยังไงจิตต ก, กรก็มีศรัทธาธรรมเนี่ยเขามีศิลปกรรมมีความสามารถมีจินตนาการอย่างแรงไรเขาก็ทําไปแต่แต่สาระที่สําคัญสำคัญก็คือขอบเขตคันทศศีมาเนี่ยมีมันมีเป็นปพุทธพจน์ด้วยเพื่อที่จะบ่งบอกถึงบริเวณที่ภิกษุจะ อยู่จำพรรษาบ้างหรือว่ามาร่วมลงอุโบสถบ้างเพื่อให้มีความสามัคคีกันในแทนธรรมสังกกรรมนตะ่จึงต้องมีการกําหนดบทขอบเขตตรงนี้แล้วก็จะเป็นคนละอันกันกันกนกบเรื่องของศีลอุโบสถทีนี้ในคำว่าอุโบสถเนี่ยทัาา้งั่งนอกจากในความหมายของเรื่องของศีลอุโบสถหรือว่าพระอุโบสถในซึ่งตรงนี้มาจากศัพท์คําว่าวัฏฐ์ที่หมายถึงที่อยู่อาศัยนั่นจำเป็นจะต้องเข้าไป อย่างคนที่ไปจําศีนุโบสถเนี่ยก็คือวันหนึ่งคืนหนึ่งคุณออกจากเรือนไปอยู่วัดอันนี้เขาะรักษาศีนุโบสถแต่ศีนแปคุณจะรักษาที่บ้านก็ได้ไม่มีปัญหาคุณจะรักษาบางข้อหรือทุกข้อหรือบางเวลาก็ลาแต่คุณแต่ว่าตาศีนุโบสถเนี่ยคือคุณต้องไปอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งและซึ่งในที่นี้คืออยู่วัดก็จะเรีว่าศีนุโบสถหรือว่าการลงอุโบสถของพระแล้วก็คือปรับมาร่วมกันนะสถานที่นี้มีการเข้าอยู่มีการ เข้าไปด้วยกันทำพร้อมเพลียงกันอันนี้เป็นลักษณะของการลงอุโบสถคำอุโบสถนอกจากใช้ในใ น, นิยานี้ทั้งบุฟังยังใช้หมายถึงช้างด้วยนจะมีช้างตระกูลหนึ่งก็เรียกว่าตระกูลอุบโบสถนะซึ่งเป็นช้างที่ทนต่อการเข้าศึกสงครามนะมาจากศัพท์คําว่าอุสะธาตุที่หมายคำว่าความว่าทนนะเป็นช้างที่ทนมากเป็นช้างที่มีความอาชาในามากเอาหอกแทงมัน ส่งเสียงอึกทึกคืบโครมเนี่ยมันก็ทนได้แล้วก็เรือเป็นช้างตระกูลอุโบสถหรือว่ามีความหมายถึงพญานาค ก, ก็ได้พญานาคที่ชื่ออุโบสถนี้ก็มีอันนี้ก็จะมาจากศัพท์ที่เรียกว่าอุสะาธาตุซึ่งหมายถึงการเผาความเร่าร้อนพญานาคที่เขาพ่นไฟใส่ไฟตรงเนี้ยเขาก็ใช้พญานาคที่ชื่อว่าอุโบสถก็มีอันนี้คือถ้าเราศึกษาในตำราคัมภีร์ส่วนต่างๆในพระวินัย เราก็จะเจอเรื่องการลงอุโบสถของพระเรื่องของศีลอุโบสถพวกนี้เราจะมีเราศึกษาในเรื่องของพระสูตรเราก็จะได้ยินชื่อของช้างตระกูลอุโบสถถ้าเรามาดูในเรื่องของธรรมบทเราก็จะได้ยินเรื่องพญานาคที่ชื่ออุโบสถเหมือนกันจินิกุณตวัตถา ม, มาตรงนี้ด้วยว่าแล้วการทําบุญนั้นเนี่ยจะได้อา น, นิสงส์หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเราไปทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยอันนี้เป็นเสนาสนะทานในธะรรมวัง เสนาสนาทานเนี่ยเป็นทานที่จะได้บุญสูงที่สุดเลยของพวกการให้ทานด้วยกันแต่ถ้าเราให้ทานด้วยอาหารอยู่ที่เนื้อนามุญด้วยว่าเนื้อนามุญดีบุญที่จะเกิดขึ้นจากการให้ทานคืออ า, านั้นก็จะมากขึ้นตามลําดับตามลําดับแต่ถ้าบอกว่าให้ทานด้วยสถานที่นะคือพระบัวสดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถือว่าได้บุญมากที่สุดในฝ่ายของทานแต่ที่มากขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นบุญที่เกิดจากฝ่ายของศีล แต่ที่มากขึ้นไปในฝ่ายของศีลกว่านั้นก็จะเป็นฝ่ายของการทําสมาธิภาวนาเพระนการที่เราไปทําบุญปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาคิดขึ้นกันในสมัยปัจจุบันในการที่จะเป็นกุศลบานให้คนได้มาสร้างบุญทํากุศลในการสร้างเสานาสนะอันเนี้ยก็ได้บุญแน่ละ่ะถ้าเราตั้งจิตไว้ดีบุญกุศลที่เกิดขึ้นมันก็มีแน่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการรักษาศีลอุโบสถ อันนี้ก็จะได้บุญมากยิ่งขึ้นไปนั่นคือคําถามกองกุลทวัตส่งมาทางอินเทอร์เนต็ตวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆาสามารถส่งมาเป็นข้อความทางเว็บไซต์ที่เปียวธรรมะ .com ได้ฝั่งย้อนหลังค้นหาข้อมูลต่างๆก็ไปที่เว็บไซต์นี้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบูร์อภีปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศก 这人半。